สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้คลิปนี้ขอออกจะป่ากันมาบ้างนะครับเห็นว่ามีสมาชิกบางท่านอยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับปีศาจของญี่ปุ่นที่มีในตำนานผมจึงได้ไปหาข้อมูลมาจะเป็นยังไงลองฟังกันดูนะครับเมื่อ800ปีมาแล้วพระภิกษุที่วัดมุงเงียนยามะในมณฑลโทโทโมิต้องการระฆังใบใหญ่สําหรับแขวนไว้ในวัดพระจรึงบอกบุญไปยังโยมผู้หญิงให้ช่วยกันบริจาคกระจกส่งหน้าซึ่งในสมัยนั้นทําด้วยทองสำริด เพื่อจะนํามาหลอมหล่อเป็นระฆังหญิงสาวเมียชาวนาคนหนึ่งได้นํากระจกสำริดของเธอไปถวายวัดแต่เมื่อถวายไปแล้วกลับนึกเสียดายพระพอตต์หัวนนึกถึงเรื่องที่แม่ของเธอเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกระจกบานนี้ว่าเคยเป็นสมบัติของยายและทวดของเธอสืบต่อกันมาจนถึงตัวเธอหญิงสาวชาวนานึกถึงรอยยิ้มอย่างเป็นสุขที่เคยปรากฏอยู่ในกระจกบานนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกเสียดายมากขึ้นทุกทีถ้าเธอมีเงินพอที่จะไปถวายพระ ก็จะไปขอกระจกคืนมาและจะถวายเงินแทนแต่เธอไม่มีเงินจึงทำเช่นนั้นไม่ได้เมื่อเดินผ่านไปที่วัดได้เห็นกระจกของเธอนั้นวางกองรวมอยู่กับกระจกอื่นๆ อ, อีกหลายร้อยบานที่ลานหลังวัดหญิงสาวก็หยุดมองด้วยความอาลัยอาวรณ์ทุกครั้งไปหญิงสาวเมียชาวนานั้นจำกระจกของเธอได้เพราะด้านหลังกระจกนั้นมีรอยสลักลงไปในเนื้อสัมฤทธิ์เป็นรูปต้นสนต้นไผ่และดอกเหมยมันคือสั ญ, ญลักษณ์แห่งความโชคดีซึ่งแม่ของเธอเคยชี้ให้ดูเมื่อครั้งที่เธอยังเป็นเด็กเล็กๆ เธอรักกระจกบานนี้มากและมีความผูกพันกับรูปด้านหลังกระจกอย่างจับใจใจเธอนึกอยากจะขโมยกระจกกลับมาเพื่อเก็บรักษาไว้อย่างทะนุถนอมกว่าเก่าแต่ก็ไม่สบโอกาสที่เหมาะสักทีหญิงสาวรู้สึกเหมือนได้อุทิศส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วดังภาฤฤษิตเก่าแก่ที่กล่าวว่ากระจกเงาเปรียบดังวิญญาณของหญิงสาวคำกล่าวนี้คงจะจริงเธอรู้สึกหวาดกลัวว่าคำกล่าวนี้จะจริงอย่างที่เคยคิดแต่เธอก็ไม่กล้าบอกเล่าความในใจให้ใครฟัง เมื่อพระได้รับกระจกสมำริ์มากพอแล้วที่จะหล่อเป็นระครังก็ส่งกระจกไปโรงหลอมปรากฏว่ากระจกบานหนึ่งไม่ยอมละลายในเตาหลอมแม้ว่าในช่างนั้นจะหุ่มไฟแรงสักปานใดกระจกบานนั้นก็ไม่ละลายแสดงว่าหญิงผู้ที่กระจกเป็นพุทธบูชาไม่ได้มีศรัทธาจริงและเสดายของที่ถวายพระไปแล้ววิญญาณเห็นแก่ตัวของเธอนั้นเข้ามาสิงอยู่ในกระจกทําให้กระจกแข็งกระด้างและเย็นจนไฟหลอมไม่ละลายคนที่รู้เรื่องนี้ต่างก็รู้ว่ากระจกบานนั้นเป็นของเมียชาวนา ทำให้เธอนั้นได้รับความอับอายและรู้สึกโกรธมากเธอเขียนข้อความทิ้งไว้ก่อนจะไปกระโดดน้ําตายว่าเมื่อฉันตายไปแล้วกระจกจะหลอมละลายได้ง่ายและนําไปทําเป็นระฆังได้สําเร็จใครก็ตามที่ตีระฆังใบนี้จนแตกจะได้รับทรัพย์สินจํานวนมากเป็นของตอบแทนจากดูมิญญาณของฉันคนทั่วไปเชื่อกันว่าความประสงค์ครั้งสุดท้ายของคนที่ตายด้วยความโกรธนั้นโดยเฉพาะผู้ที่ฆ่าตัวตายด้วยความโกรธด้วยแล้วมักจะมีผลตามที่เธอตั้งใจเสมอ หลังจากหญิงสาวชาวนาตายไปแล้ววัดแห่งนั้นก็ทำระกังได้สำเร็จและนำไปแขวนที่สาราวัดคนทั้งหลายจำคำพูดของหญิงสาวที่กระโดดน้ำตายได้ต่างพากันมาสาน ร, ระกังอย่างเต็มกำลังพยายามดึงสายเหวี่ยงระกังอย่างไม่ปราณีปราศัยแต่ทว่าระกังใบนั้นก็แข็งแรงทนทานมากจึงไม่แตกร้าวมีคนมาตีระกังเสียงดังทั้งวันทั้งคืนแม้ว่าพระจะขอร้องก็ไม่มีใครเชื่อฟังจนเหล่าพระนั้นทนฟังเสียงลูกหูต่อไปไม่ไหวจึงช่วยกันกลิ้งระกังลงเนินไปจมอยู่ใต้บึงลึก นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้เห็นระฆังใบนั้นอีกเลยเหลือแค่ชื่อของระฆังซึ่งเรียกกันว่าระฆังแห่งมุงเงินชาวญี่ปุ่นนั้นมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าของบางอย่างใช้แทนกันได้เช่นเมื่อไม่สามารถจะสร้างวัดก็เพียงแต่ก่อก้อนหินกองไว้หน้าพระพุทธรูปภาวนาขอให้ร่ำรวยพอที่จะสร้างวัดได้ซึ่งศรัทธาแรงกล้าเช่นนี้ก็จะได้บุญเท่ากับสร้างวัดเลยทีเดียวบางคนก็เชื่อว่าถ้าใช้ฟางถักเป็นรูปคนแล้วตรึงด้วยตะปูดอกยาว ติดไว้กับต้นไม้ที่สวนในวัดแล้วก็สาบแช่งออกชื่อคนที่ต้องการจะให้ตายคนที่ถูกสาบแช่งนั้นก็จะตายไปด้วยความทรมานเรื่องเกี่ยวกับระฆังที่ทําด้วยสำลีนี้ก็เช่นกันหลังจากที่พระกลิ้งระฆังลงไปจมอยู่ใต้บึงแล้วก็เป็นอันหมดปัญหาในเรื่องการต้องทนฟังเสียงการแย่งตีระฆังเพื่อที่จะทําให้ระฆังมันแตกด้วยความหวังในทรัพย์สมบัติของปีศาจ ต, ตามความเชื่อที่เล่าขานกันมาแต่หลายคนนั้นก็ยังไม่ย่อท้ออุตสาห์ของอื่นมาตีแทนระฆัง ด้วยความหวังว่าบิศาจจะพอใจและให้สิ่งตอบแทนในจํานวนของคนที่อยากจะรวยด้วยการตีระคังให้แตกหรือว่าหาของสิ่งอื่นมาตีแทนนี้มีหญิงคนนึงรวมอยู่ด้วยชื่อว่าอุเมงไงเป็นญาติกับนักรบที่มีชื่อว่าคาจิวาระซึ่งขณะ น, นั้นเองกําลังขาดเงินและพำนักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึง่งอุเมงไงนึกถึงเรื่องระคังที่เมืองมุงเงินขึ้นมาได้จึงหยิบชามอ่างสมริดใบหนึ่งขึ้นมาพลางนึกในใจว่าขอใช้ชามอ่างนี้แหละแทนระคงัง นางตีชามอ่างครังพร่หมพูดว่าขอเงินสัก300เหรียญทองจนกระทั่งชามอ่างสำลิศแตกแขกคนหนึ่งซึ่งพักอยู่ในโรงแรมเดียวกันนั้นได้ยินเสียงตีชามอ่างและเสียงร้องขอเงินก็ให้รู้สึกสงสัยจึงได้สอบถามว่าเรื่องราวความเป็นมาเป็นยังไงเมื่อรู้เรื่องแล้วเขาก็มอบเงินให้แก่อุมเมงไงจํานวน300เหรียญทองจากเหตุการณ์นี้ชื่อเสียงของเมืองมุงเงินแพร่ไปไกลคนหลายคนพยายามทําตามอย่างอุมเมงไงบ้าง โดยใช้ของต่างๆนั้นเคาะตีแทนระครังเพื่อหวังจะร่ารวยตามๆกันชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองนี้มากนักมีชีวิตอยู่อย่างข้นแค้นวันหนึ่งเขาใช้ดินเหนียวปั้นเป็นรูประครังเดินตีระครังดินเหนียวปากก็ร้องขอให้ร่ำรวยมากๆจนระครังดินเหนียวแตกทันใดนั้นร่างของหญิงคนหนึ่งซึ่งคลุมร่างด้วยผ้าขาวก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าชาวนาหญิงคนนั้นไว้ผมยาวและยืนประคองหายปิดฝาใบบหนึ่งหญิงนั้นยื่นหาให้ชาวนาและพูดว่า ข้ามาตามคำที่เจ้าเรียกร้องเพื่อ น, นําของที่สมกับคําขอของเจ้ามาให้รับไปสิเมื่อชาวนายื่นมือไปรับหญิงสาวนั้นก็หายตัวไปทันทีชาวนาดีใจมากวิ่งเข้าไปในกระท่อมร้องเรียกเมียให้มาช่วยกันเปิดดูทั้งสองผัวเมียช่วยกันเปิดฝาหายแล้วก็พบว่าภายในหายนั้นมีสิ่งของอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเต็มแน่นจนปริ่มขอบแต่ตำนานก็ไม่ได้เล่าว่าเปิดแล้วเจออะไรอาจจะให้คิดตามว่าขนาดอุเมงไงยังได้เหรียญทองถึง300เหรียญ ชาวนาผู้นี้ก็คงจะได้ไม่ต่างกันนี่ก็คือตำนานกระจกกับระฆังแห่งมูงเงนินแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะโดนต่อว่าว่าคลิปนี้สั้นเกินไปผมจะขอแถมอีกสัก2เรื่องแล้วกันอีกเรื่องคือเรื่องเสียรู้ครั้งหนึ่งมีคําสั่งให้ประหารชีวิตผู้คอร้ายในบริเวณสวนนักโทษประหารถูกนําตัวไปคุกเข่าอยู่ลงเหนือพื้นทรายซึ่งมีก้อนหินเป็นแบร น, บนวางเรียงไว้สําหรับ9เดินเหมือนอย่างก้อนหินที่วางไว้ในสวนทั่วไปนักโทษถูกมัดมือคว่ำหลัง พนักงานหิว้วถังใส่น้ำมาวางไว้และใช้ถุงใส่ก้อนกรวดวางไวร้รอบๆตัวนักโทษเพื่อไม่ให้เขาขยับขยื่นตัวได้หัวหน้าเดินมาตรวจ ด, ดูความเรียบร้อยเห็นว่าทุกอย่างน่าพอใจจึงไม่พูดว่าอะไรทันใดนั้นเองนักโทษประหารก็พูดขึ้นว่าท่านขอรับโทษหนักที่ผมต้องรับนี้เกิดจากการกระทําที่ผมไม่ได้ตั้งใจผมโง่ไปเองจึงทําผิดครั้งนี้เป็นกรรมของผมเองที่เกิดมาโง่แต่การที่ท่านจะมาฆ่าคนโง่เช่นผมนี้เป็นความผิด ซึ่งจะต้องมีการทุดใช้ถ้าท่านยังขืนฆ่าผมผมจะมาล้างแค้นกรมต้องสนองด้วยกรมเชื่อกันว่าถ้าคนถูกฆ่าในขณะที่มีความรู้สึกเครียดแค้นอย่างรุนแรงวิญญาณของเขาก็จะกลับมาแก้แค้นผู้ที่ฆ่าเขาสมุไรซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประหาร น, นั้นจึงตอบด้วยเสียงปลอบโยนอย่างนุ่มนวลว่าถ้าแกตายไปแล้วอยากจะกลับมาหลอกหลอนเราก็ตามใจแต่จะให้เราเชื่อว่าแกหมายความตามที่พูดจริงนั้นยากนักนะแกต้องแสดงอะไรออกมาสักอย่างสิเมื่อหัวถูกตัดขาดแล้ว ได้แน่ขอรับนักโทษตอบถ้าเช่นนั้นจงเตรียมตัวได้ข้ากำลังจะตัดหัวแกจงดูข้างหน้าของแกนั่นก้อนหินสำหรับเหยียบวางเรียงกันเป็นแถวเมื่อหัวของแกได้ขาดลงแล้วจงงับก้อนหินไว้และถ้าผีของแกทำได้จริงเราก็อาจจะกลัวแกแกคิดว่าแกทำได้ไหมล่ะสมะไุไรถามพลางชักดาบเล่มยาวออกมาได้ขอรับผมจะงับก้อนหินนั่นผมจะงับก้อนหินนั่นให้ได้นักโทษตอบด้วยความโกรธจัดเสียงดาบฟาดแหวกอากาศลงมามีแสงว่าแปลก เสียงหัวหล่นลงบนพื้นตุบร่างของนักโทษสุดหมอบลงกับถุงที่ใส่ก้อนกรวดเลือดพุ่งกระฉุดเป็นลำขึ้นไปจากคอที่ถูกฟันหัวกลิ้งไปบนพื้นทรายหัวของนักโทษนั้นกลิ้งไปหาก้อนหินอาปากงับขอบก้อนหินไว้สักครู่หนึ่งเหมือนว่าจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็หล่นนิ่งลงกับพื้นไม่มีใครพูดแม้แต่คําเดียวบ่าวของสมูไรจ้องเจ้านายด้วยสายตาอันตื่นกลัวแต่สมุรายนั้นก็ไม่ได้แสดงอาการวิตกแต่อย่างใดยื่นดาบให้บ่าวกวากน้ําล้าง และใช้กระดาษเช็ดคมดาบที่ปืนเลือดจนสะอาดเป็นอันเสร็จการประหารในวันนั้นพวกบ่าวรู้สึกกระสับกระส่ายอยู่ไม่เป็นสุขด้วยความกลัวว่าผีจะกลับมาแก้แค้นจนมองเห็นและได้ยินอะไรไปต่างๆนาน า, นาสะดุ้งกลัวแม้แต่เสียงลมที่พัดกอไผ่หรือเงาที่เคลื่อนไหวอยู่ในสวนหนักเข้าต่างกระทนกันไม่ไหวต้องขอร้องเจ้านายให้ทําบุญอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ดวงวิญญาณดวงนั้นซึ่งคงจะกลับมาหาทางแก้แค้นตามคําที่อาฆาตไว้เมื่อสมุไรได้ฟังความประสงค์ของบ่าวก็พูดขึ้นว่า พวกเจ้านั้นเข้าใจผิดจริงอยู่ความต้องการครั้งสุดท้ายของคนตายที่คิดจะแก้แค้นนั้นเป็นเหตุให้เจ้าตกใจกลัวกันใหญ่แต่ในกรณีนี้เจ้าไม่ต้องกลัวกันบ่าวได้ยินสมุไรพูดเช่นนั้นก็มองหน้าสมุไรเหมือนว่าจะซักถามแต่ก็ดีรออยู่สมุไรจรึงได้อธิบายต่อไปว่าเจตนาครั้งสุดท้ายของนักโทษ ป, ประหารอาจจะทําให้เขากลับมาแก้แค้นได้จริงแต่ข้าได้หันเหเจตนาของเขาซะก่อนจะลงดาบเขามุ่ง ม, มั่นอยู่กับการที่จะงับก้อนหินในขณะที่สิ้นใจ เขาจึงทําได้แค่สําเร็จแค่งับก้อนหินเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางสําเร็จได้เพราะตอนนั้นเขาก็ลืมไปหมดแล้วพวกเจ้าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะกลับมาหลอกหลอนอีกหรอกคําพูดของสมุรนั้นเป็นความจริงเพราะไม่ปรากฏว่าผีนักโทษกลับมาหลอกหลอนหรือแก้แค้นอีกเลยอีกสักหนึ่งเรื่องนานมาแล้วมีพรานคนหนึ่งชํานาญการล่านกเหยี่ยวเขาชื่อซอนโจอยู่ในจังหวัดทามุระโนโกโในมณฑลมุสุวันหนึ่งเขาออกไปล่าสัตว์แต่ก็ไม่พบสัตว์ใดๆเลย ขณะที่เขาเดินทางกลับบ้านนั้นและผ่านมาถึงตำบลอาการนุมะในพรานก็มองไปเห็นนกเป็ดน้ําคู่หนึ่งอยู่ในแม่น้ําซึ่งเป็นแม่น้ําที่เขาจะต้องเดินข้ามไปนกเป็ดน้ําเป็นสัตว์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ของความรักแท้ในดินแดนตะวันออกไกลมีความเชื่อเช่นนี้มาแต่บบราณกาลและถือว่าไม่ควรฆ่านกเป็ดน้ําแต่โซนโจนั้นหิวจนหน้ามืดจึงได้ลิงธนูไปที่นกเป็ดน้ําลูกธนูพุ่งก็เสียบอกนกเป็ดน้ําตัวผู้ ส่วนนกเป็ดน้ำตัวเมียนั้นหนีไปซ่อนตัวในกอต้นกกอีกฝั่งหนึ่งในพรานทิ้วนกเป็ดน้ำตัวผู้กลับไปทําอาหารกินที่บ้านคืนนั้นเองเขาฝันร้ายเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาภายในบ้านของเขาและยืนร้องห่มร้องไห้อย่างน่าสงสารใกล้ๆ ก, กับหัวนอนของเขาเสียงร้องไห้นั้นน่าเวทนาจนในพรานรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาจะแหลกสลายตามไปด้วยหญิงสาวคร่ําครวญว่าท่านฆ่าเราทําไมเขาทําอะไรผิดหรือคะเราเคยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา จนท่านฆ่าเขาเขาทำร้ายท่านหรือคะท่านจะมีวันรู้บ้างไหมว่าท่านได้ทําอะไรลงไปโถเอ้ยท่านรู้ไหมว่าท่านก่อเหตุชั่วร้ายขึ้นแล้วเท่ากับว่าท่านได้ฆ่าฉันไปด้วยฉันอยู่ต่อไปโดยไม่มีผัวของฉันไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะเหตุนี้ฉันจึงมาบอกให้ท่านทราบหญิงสาวร่ําให้สะอึกสะอื้นเสียงของเธอราวกับจะกรีดลึกลงไปในกระดูกดําของนายพรานและเธอก็พร่ำรำพันว่าฉันกับเขาเคยกลับรังในยามสายยันด้วยกัน แต่บัดนี้ฉันต้องนอนเดียวดายในกอต้นกกซึ่งเป็นความทุกข์ระทมจนสุดจะบรรยายท่านไม่รู้หรอกว่าได้ทําอะไรลงไปแต่พรุ่งนี้เมื่อท่านไปที่อาการนุมะท่านจะเห็นเองท่านจะเห็นเองเธอร้องไห้อย่างน่าสงสารแล้วก็เดินจากไปในพรานตื่นขึ้นในตอนเช้าเขายังจําภาพในความฝันได้อย่างแจ่มชัดจนรู้สึกเป็นทุกข์มากเพราะยังไม่ลืมคําว่าพรุ่งนี้ท่านจะเห็นเองเขาคิดได้ว่าจะรีบไปที่ตําบลอาการนุมะทันทีเพื่อดูให้เห็นกับตาว่า อันที่จริงเขาแค่คิดไปเองทั้งนั้นหรือนั่นเป็นเพียงแค่ความฝันในพรานตรงไปที่ตําบลอาการนุมะแล้วก็หยุดยืนที่ริมแม่น้ําเขาเห็นนางนกเป็ดน้ำว่ายน้ําอยู่เพียงตัวเดียวเมื่อ น, นางนกเป็ดน้ําตัวนั้นมองเห็นเขาแทนที่มันจะว่ายน้ำหนีกลับว่ายตรงเข้ามาหาเขาดวงตานั้นจับจ้องที่เขาเขม็งนางนกเป็ดน้ำว่ายน้ำมาหยุดตรงหน้าในพรานจ้องมองเขาอย่างไม่วางตาแล้วก็ใช้จางอยปากฉีกถึงตัวเองสิ้นใจต า, ตายตรงหน้าในพรานนั่นเอง ซอนโจเข้าวัดกนหัวบวชเป็นพระตลอดชีวิตเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ครับนี่ก็คือเรื่องราวตำนานของญี่ปุ่นที่ผมไปหามาเล่าให้ฟังนะครับหากว่ามีใครเคยได้ยินหรือได้ฟังมาแล้วก็ขออภัยนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการได้เปลี่ยนบรรยากาศในการฟังบ้างครับขอบคุณครับสวัสดีครับ